พระบัญญัติ538ก็ภิกษุผู้ทำภาาปิดฝีต้องทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวสีคืบกว้างสองคืบโดยคืบสุกพดทำให้เกินขนาดนั้นต้องอวัาดตาจิตตีที่ชื่อว่าเชธนานกะเรื่องพระชพคีจบ